ต้องเฉพาะพวกเรามีไม่กี่คนที่มาดูแล ว, วัดป่าห้องเดิยนอยู่ทางอื่นก็มีเป็นญาติของทางแม่แม่ที่มาปฏิบัติธรรมแม่ก็สายเกือญาติมาเลยนะี่ยก็ไม่มันเกินจะมาลักษนะด น, นั้นเนี่ยถ้าจะเอาอุบาตปฏิกาญาติโยมที่ทางด้านเด่นมาก็คงไม่มีนี่แต่พวกเราที่เป็นสายทมญาติทำพ่อหลวงปู่ไม่รับนิมนต์ไม่รับอะไรภายนอก เราต้องการให้ลูกเราประพฤติปฏิบัติเต็มที่เต็มฐานเช่ก่อนเมื่อกูบาอาจารย์ทางด้านลึมเป็นร่วงไปร่วงไปไหนายถึงพระอาวียบุคคลชั้นสูงการที่จะแตกกลา้าแห่งลูกศิลุกหาก็มีในวัดวาลามนั้นนั้นมันมีนี่เราก็เตรียมข้อก็เผื่อว่าเรามีญาติที่โงที่การอยู่ในนั้นก็อาจจะดึงญาติมา เราก็เลยหาวิธีการตัวนี้ก่อนตัดปัญหาเรื่องนี้อยู่กันคตอนนี้ก็เราก็พออยู่แล้วละเพราะเราไม่ได้บวชมาเพื่อราบสักการะไม่ได้บวชมาเพื่อขอเพื่อสร้างอะไรเราบวชมาเพื่อละกิเลสในเมืองพุทิพันธ์เราก็เทศเรื่อยให้ลูกๆเราเข้าใจเรื่องนั้นความเด่นความอยากเด่นอยากดังเราไม่มีเราไม่มีตัว น, นั้นความเยอทายานอยากสแสวงหานุน่นแสวงหานี่เราไม่มีแล้วก็อยู่ไปวันๆคอยวันที่จะตายเท่านั้น แล้วเป็นอย่างนั้นนะเราะนี้นลูกเข้าใจนะและลูกๆ ก, ก็ต้องเป็นเหมือนพ่อด้วยเรามาเพื่อละไม่ได้มาเพื่อเสริมสร้างกิเลสนะเจริญหายอันนี้เรามาเพื่อละพวกเทวดาที่มาอยู่ด้วยก็เพื่อละเพื่อวางเจรินเดียวกันพวกกิตตวิญญาณที่อยู่ด้วยก็เจรินเดียวกันมาละมาวางความชั่วเพื่อสร้างคุณงามความดีเทวบุเทวดาก็เจริญเช่นเดียวกันมาละมาวางความชั่วเพื่อ สร้างคุณงามความดีให้สูงยิ่งขึ้นไปเข้าสู่เมืองพระนิพพานนี่ต้องปู่ป่าทำอย่างเนี้ยเราก็เลยอนุญาตให้กิทธวิญญาณต่างๆผ่านผู้ปฏิบัติธรรมก็เรื่องนี้แหละมันจะได้โปรดเขาให้เขารู้จักบุญรู้จักบาปแล้วก็ประพฤติปฏิบัติใหม่ถ้ามาไม่ได้โปรดโปรดไม่ได้เราก็ห้ามเท่านั้นเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะมาเป็นร่างเจ้าเขา้าทรงพุทธศาสนาไม่ได้สอนสอนให้เป็นพลังธรรมที่เรียกว่าไขา่ ขายยานของสงสาวกข่ายพยานของพระพุทธเจ้าเพื่อดึงล้งพวกกิจวิญญาณพวกกายจิตเทวุตเทวดาหรือมนุษย์เข้ามาสู่ขายนั่นเพื่อโปรดเขานี่มันเป็นอย่างนั้นขอให้ลูกเข้าใจนะอย่างนั้นลุงกุศลจึงอนุ ญ, ญาตให้วิญญาณผ่านนักปฏิบัติธรรมไม่กี่คนเพื่อต้องการโปรดเขาด้วยความเมตตาก็แค่นั้น ผู้ที่อื่นผู้ไกลได้เขาจะคิดเรื่องของใครเรื่องของมันไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยสัตว์โลกมันเป็นเรื่องที่เหลือวิสรรัยสานโลกที่เราจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยให้มาเขาก็ว่าเร า, เา ไ, ปไปทางด้านเดียวนั่นแหละเป็นลางเจ้าพ้าสงฆ์พุทธศาสนารรสอนหรือหรวืวเ่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้มีแต่ศรรราสนาพราหมณ์สอนพุทธศาสนาสอนให้ละให้วางทุกสิลูกาเร า, ากพ็พอละพอวางได้เราก็สอนแต่เนี่ยไม่ไม่สามารถที่ยังไม่ไม่สามารถทําได้เพราะบารมียังไม่ถึงก็พอถูพอถ่ายพอไปพอมา พอเ อ, เอาปฏิปทาผู้เป็นพ่อผู้เป็นคู่ไปชายนั่นนั่นก็ได้ผลดีขึ้นมาเรื่องการ ก, รกอ่อๆต่างๆเราไม่แนะนําลูกนอกจากที่อยู่ที่อาใจไม่มีเออเราก็พอเกินเหมือนกับที่ทำกันอยู่นี้นะที่พักผู้ชายไม่มีเวลามารวมกันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนฤ ด, ดูนี้ไม่ไมลําบากหรอกแต่ฤ ด, ดูผลมันลําบากสงสารพ่อใหญ่นัวก็เลยว่าผมจะทําที่พักที่อาใจให้กับ พวกอุบาศกโดยงบประมาณหนึ่งแสนหรือจะมากกว่านั้นถ้ามันไม่พอผมก็ไม่ว่าหลวงปู่ผมขอโอกาสทลวงปู่จะว่าไงหลวงปูก็เลยอนุญาตเราพิจารณาดูนะเอา้าเหมือนเอาลงตามหาบัวเทศนั่นแหละมนุษย์มีค่ากว่าสัตว์เดรัจฉานมีค่ามากที่ด้วยซ้ำเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เราแสนยากมากนะเราก็เลยอนุญาตนั่นอย่งที่กันแดดกันฝนบางลมแล้วก็เติม ทำตา ม, ตามล็อกของป่าอย่างนั้นก็เผื่อว่าเรามีการมีงานอะไรแล้วก็จะได้ทําเป็นลงทานดูกอะไรเรียบร้อยไม่ต้องไปเอาเต็น อ, อะไรมาแต่มาก็มาไม่มากประมาณยี่สิบสี่ยี่บสี่มิตรยี่บสี่มันเป็นล็อ ก, ล, อกล็อกละสามเมตรกว่ามันเกียรล้วกอ็นั่นยาวเท่ากับชะลาประมาณนี้แหละประมาณชะลาเหล่านี่ประมาณนี้ความยาวนะ เกือบยี่สิบสี่เมตรนี่แหละประมาณนี้แหละลองวันดูนั่นน่ะเพราะนั้นทางแม่เพื่อนแม่นี่แล้วก็พูดนานในหลัห้องน้ัน้นแต่เราก็ไม่คิดว่าที่จะย้ายง่ายๆแต่แม่นี่เพื่นก็กปุ๊บแป๊บลุงปู่เรื่องนี้เป็นส่วนของลูกนะลูกจะพิจารณาเรื่องนั้นเออถ้าูรว่าอย่างนั้นก็คือแล้วไปแล้วก็จะต่ออันนั้นออกมาเพื่อเป็นที่พักของอวอาิกาผู้ที่ชั้จรไปมาเอาไว้ในนั้น พอครังหน้าถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่ล้นจริงๆก็อย่ามาพักเพราเป็นที่ไโรงครัวที่ฉันอาหารจะมันจะได้แล้วไปทางด้านนั้นนีก็ย้ายห้องน้ําไปข้างนอกแล้วก็เสร็จนี่นะอันนั้นก็ของแม่นีครับพ่อหนูเพิ่นที่เพิ่นเพียนะจะจิไปใจเท่าไหร่ก็ต้องพิจารณานดูก่อนทางพ่อใหญ่หนูตัวนั้นตัวนี้ก็คงอย่าประมาณสองสามแสนตัวนี้พวกเราไม่ได้เข้าไปาาก้าไกยเราก็เป็นหน้าที่ของ พ่อหนูกับแม่นีเป็นผู้ที่ดูแลพวกเราอยู่นั่นทั้งกลุ่มพวกเรา e ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมีเวลาว่างวันไหนก็มาจับนั่นช่วยช่วยกันเพื่อขอบุญขอกุศลแบ่งบุญแบ่งกุศลกับขนนึ้นวันไหนเราว่างจากงานเราก็มาจับนวนจับในเรื่องการช่างแล้วก็จ้างต่างหากในเรื่องนั้นก็เรื่องของช่างเพิ่นเรื่องของเราที่จะจับช่วยอะไรช่วยกันก็มันที่เรามาช่วยกันดูดินดูอะไรดูอะไรช่วยกันปะปี้เรานั่นคือเรามา แบ่งบุญกับแม่เพิ่นถึงพอเราไม่มีทรัพย์ในด้านนั้นแล้วก็เอากําลังกายและกําลังใจสู้เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือ น, นั่นมันจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกลูกห ล, ล, ลานต่อไปในภายภาคหน้าเราก็พาลูกศิษลกหาทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ได้ไปวุ่นวากับใคอันนี้เราก็ไม่เคยขอแม่หนูกับแม่ยหญ่นี่แม้แต่สตางแดงเดียวเราไม่เคยขอเลยมีครั้งหนึ่ง เพื่อนให้เราว่าเงินแค่นี้ก้ลุงปู่ต้องการทำไมลงุงปู่ไม่ไม่ไม่เอาเลยไม่ขอเลยทาไมไม่บอกเลยทำไมลุงปู่ไม่บอกว่าลูกๆเลยเราว่าเราไม่ได้มาเพื่อทำให้ลูกเท่าเราเดือดร้อนไม้่แต่สตางแดงเดียวเราไม่เคยขอเราเป็นพระที่ปลอดโปร่งโล่งจากของพวกนี้เราบริสุทธิ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่มีไม่คิดจะแต่ต้อง นั่นเราบวชมาเพื่ออย่างเดียวคือมรรคผลพนิพพานต้องการเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเราไม่บวชมาเพื่อสิ่งนี้นะ่ะเราไม่บวชมาเพื่อสร้างบุญในในการก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี้นั่นเราหยุดการสร้างบุญมีแล้วคือเราสร้างมาพอแล้วแต่เราแนะนําให้ลูกสร้างลูกยังไม่พอเรื่องนั้นอย่างนั้นเราเลยเป็นแบบอย่างให้ลูกให้เต้าได้ดูถ้าเป็นพระองค์อื่นพระอย่างอื่นที่มีกแหลสนะตัณหาหยาบโอ้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะนี้เรานี้ใจเราด้วย แล้วไม่เคยไปขอให้แม่พ้นลําบากหรือให้ใครลําบากเรื่องการทําน่นทนํานี้ลูกเป็นผู้จัด ก, การกันเดียแค่นั้นเองแล้วก็บอกเลยว่าลูกจะไปอะไรกันมากนะถ้าไม่มีก็อย่าไปทําดูแลถ้ามีค่อยๆทําเราจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆเพราะอย่ที่ว่าการอยู่ต่างโลกนั้นมันแสนลําบากต้องมีจิตวิญญาณใจหลายอย่างเรื่องอาศัยหลายอันหลายอย่างก่จะอยู่ต่างโลกได้ต้องมีทรัพย์ ให้ลูกให้เต้าไปลงล่ำโรงเรียนต้องมีทรัพย์ในการอยู่จึงอยู่ได้ในทางโลกเราเลยไม่อย่างให้ลูกกวนขวะอะไรมากมันก็พออยู่พอกินพออะไรไปพอได้ทํากิจตภาวนานั้นก็พอ น, นี้เราจึงมีระเบียบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่ อ, อ, อมันมีธรรมเกิดขึ้นวันนั้นนั้นมีธรรมเกิดขึ้นงั้นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงปู่พิจารณาอยู่แล้วก็แม่พิชไปพูดขึ้นอันนั้นก็เป็นธรรม แล้วไม่อยากให้มาทําอาหา ร, หรอย่านี้วัดอิโมเรีงเปลงปางเวลาลงไปแล้วนั้นผู้ที่กินก็เก็บของไว้กินเลยแล้วก็ไม่ได้ห้ามตัวนั้นขอให้มันแล้วไปในกุฏิของตัวเองผู้ที่เป็นโลกไปใข้เก็บห้องกู่ก็ไม่ว่าเพระจัดแจงให้กันอันนี้มาปฏิบททัติทำแล้วทำวัดเสร็จลงไปคอยคนเดียววันนั้นกรรมตานั้นหาอยู่หา ก, กินให้กันโอ้มันดูแล้วมันน่าเกลียด แล้วกู้ที่มาทางด้านอื่นก็ไม่ใช่คนอื่นเพียงแต่พวกเราพวกมาจากบ้านดงกระพงมาจากบ้านหนองนาแสงอย่างนี้ที่มาจากที่อื่นอย่างนี้เราก็เลยจัดว่าถ้ากลุ่มความความธนานั่นให้ความธนานเป็นผู้ที่ดูแลทางด้านนั้นถ้ามาจากที่อื่นก็ไปเข้าไปกินข้าวในบ้านใช่ไไปทําอะไรกันอยู่ในบ้านให้มันเรียบร้อยก็ค่อยออกมามันจะมันวุ่นวายเกินไปนะเราพิจารณดูแล้ว อันนี้ก็ถูกของแม่พิดเป็นเป็านวิญญาณเป็นเสนอมาแล้วก็โอ้เข้าท่าอยู่แต่นั้นะขอลูกๆเข้าใจนะบ้านทางบ้านเราก็เอาบ้านแม่พอสมเด็จหรือบ้านไครก็เป็นที่สําหรับหมู่ญาติมาก็เอาไปด้วยนั้นของอะไรก็คนเขไปทำกลินแต่นั้นไม่ค่อยออกมานอกจากเด็กหรืออะไรที่เป็นอะไรที่มันไม่สบายนี่ก็แล้วแต่เรื่องนั้นะแต่ว่าพยายามอย่าให้มีการทำอาหารมากนะเพราะกลิ่นของมันนั่นจะทําให้ผู้ที่ เขาเรียกว่ากําลังทำกิตภาวนาใหม่มันจะเป็นธรรมเราพิจารณานั้น แ, แต่ว่าทําให้เกิดยังไม่มีใครมาบอกเรานี้ในสมัยพุทธกาลก็เฉเช่นเดียวกันพระสารีบุตรให้พุทธเจ้าบัญญัติจิกค้าบทพุทธเจ้าว่าธรรมยังไม่เกิดนี้พระสารีบุตรให้ทําเกิดก่อนนี้ก็เฉเช่นเดียวกันอย่าแต่ด้านนั้นก็เลยให้แม่ของคําแก้วแม่ตุยเป็นผู้ดูแ ล, แลคําตัณหาคําตนณ า, าให้ดูแลนอกจากเรามีงาน มือนอย่างนี feminine, ้แหละนี่ที่มีงานที่ยันก่อสร้างก่ออะไรเนี่ยเราจําเป็นแต่ว่าช่วงเย็นช่วงช่วงเช้าไม่ได้ว่านะนี่ขอรู้เข้าใจนะช่วงเช้าช่วงเที่ยงไม่ได้ว่านะแต่ช่วงเย็นช่วงเย็นเพราะเราจะกินอาหารเรากินในช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงอันนี้ก็พากันเก็บอะไรไว้แต่ผู้ที่เป็นโรคไตใกล้เจ็บจะกินช่วงเย็นเขาเก็บอะไรไว้เราก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าตอนนั้น่ช่วงเช้าก็เอาเต็มที่เพราะเรามีงานเราก็กินกันเต็มที่ มาวัดมาบาก็ให้กินกันเต็มที่จนเที่ยงจนบ่ายไว้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ช่วงค่าไงช่งมืดแล้วช่วงอะไรแล้วนี่อย่าไปทําเลยดีกว่าดูแลมันก็น่าเกียดอีพวกเรามานี่ก็ไม่ใช่คนอื่นหรือว่าเขาลองพวกอะไรมาก็มาทํากินกันพวงงเพียงๆช่วงดึกๆดื่นๆมัน ด, ดูแล้วมันก็ไม่งานงั้นถ้าจะมาทางด้านอื่นมันก็ไม่ไมีใช่ไม่ไม่ใช่ว่าใครคนอื่นมาไม่แต่พวกเราก็เข้าไปบ้านใครสักคนอยู่ในบ้านแล้วก็พากันทำกินที่นั่นก็ค่อยออกมา นี่ขอให้ทุกคนเข้าใจนะขอใหู้กเข้าใจนะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามผลถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่ดีแล้วก็ประชุมกันใหม่พ่อไม่ดีนะอย่างนี้อย่างนี้มันเพราะมันลําบากเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลูกก็คุยกันนี่เราก็ตามขึ้นได้ว่ามันเออมันสมควรตอนนั้นนะเราเห็นนานเดี่ยแหละเราเห็นนานเดี่ยแหละเราว่ามันก็ไม่สมควรอยู่แตไม่มีใครมาบอกเราที่วันนั้นงานมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ไปยากๆกับทั้งผู้ที่อยู่วัดด้วยทั้งแม่แม่ผู้อยู่วัด ต้องปลุกมาอยากให้แ ม, แม่แม่อยู่วัดลําบากขอให้เป็นผู้ที่อยู่บ้านใช่เป็นทางโลกชาตัว น, นั้นน่ะแม่แม่อยู่วัดก็มีแต่คนแก่คนเท่าที่อยู่วัดเนี่ยมีอะไรแต่เราก็บอกเออจะมาวัานไหนมาวัานไหนมาเวลาใดก็เอาของเอาพวกไอ้อาหารออกไปทําปิ้งกังข้างนอกที่บ้านใครชักบ้านชักหลั ง, งแล้วค่อยเข้ า, ขามาเออถ้าก็มาอยู่แล้วก็ช่องเย็นก็อยาให้มีการปรุงอาหารมันเป็นห น, น้าเกลียดยังไงไม่รู้อะ เราก็พิจารณานานน แ, แต่เราก็ไม่พูดเพราะทํามันยังไม่เกิดทางที่พูดให้ฟังนี่ค่อยจัดระบบแล้วเราก็มาอยู่ห้าปีแค่นั้นแล้วเราก็จัดระบบระเบียบไปเรื่อยๆนะขอให้ลูกๆเข้าใจนะนี่ก็เป็นความคิดที่ดีเพราะแม่ๆที่อยู่พักจะได้สบายๆหน่อยก็มีแต่คนแก่พอได้ได้พักผ่อนอะไรบ้างใ น, นนี้พอเรามาเดือดๆก็มันลงเล้งลงเรีงเรีงกันไดาที่จะทำอาหารเสร็จโอ้ยจนเรนะื่องเลย จนเลยเที่ยงคืนไปจนจะสว่างแล้วคนแก่คนเฒ่าก็น่าจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนถ้าไม่มาช่วยกันก็กันดีกันเดียกันอยู่นั้นแหละนี่นอกจากจะมีการมีงานนะนอกจากจะมีการมีงานที่เราจําเป็นต้องใช้สถานที่เราเนะี่ยก็ค่อยคุยกันภายหลังขอรู้เข้าใจนะเดี๋ยวถ้าเฉพาะพวกเรามาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ลําบากอะไรทางบ้านนี้ก็การมาจัดนุกเข้าบ้านสมเด็จเขาแล้วหรือเข้าบ้านพ่อใหญ่แล้วก็แล้วแอมคาตาน า, ดางด้านนั้นก็รับผิดชอบไปมันจะได้แล้วไปนะ วั้งานทั้งพักก็จะได้พรักผ่อนบ้างผูที่อยู่วัดทั้งคูบาอาจารยก็จะได้ภาวนากันเต็มที่พรมันใกล้จะตายกันแล้วทุกคนนี่ผูทุกต้องอยู่เราปากเราท้องเล้ ว, ลวาปากก็ท้องมาเรามีปากมีท้องก็ต้องการต้อนรับควาูดเป็นของธรรมดาแต่ก็จัดระเบียบแค่นั้นละนี่ขอให้รู้เข้าใจนะก็เป็นระเบียบที่ดีนะไม่ใช่ระเบียบที่ไม่ดีแต่ทําให้ความวุ่นวายในวัดว่าอะไรไม่ค่อยมีอันนี้นึกๆึดื่นดื่มาแล้วก็ ทำวัดลงไปแล้วก็ยังไปพากันทาอาหารอยู่เนี่ยฉันเอาพุทธิมาอยู่มันก็ไม่ง่ายมาหรูกเออถ้าเออทาไม่ไหวอ่ะลงไปแล้วมีไ ม, ม่กี่คนกลับบ้านไปกลับเข้าไปในบ้านเออก็ทํากินบ้านนั้นก็กลับออกมาใหม่นี่ขอรู้เข้าใจนะเราไม่ได้ห้ามแต่นั้นเพราะอืมเป็นโรคไปใค่เจ็บบางสิบางอย่างต้องอยู่อย่างนั้นกลับไปกินอาหารอยู่บ้า น, านของใครเจ้คนหนึ่งก็ตั้งไว้บ้านผมหน้าบ้านนี้นะกินหาแล้วก็ค่อยออกมาใหม่ รถเราก็มีรถดูบัสก็มีเขาใช้ได้เต็มที่ขนกันเข้าไปนะขอลู้ลเข้าใจนะนี่ขอนรู้เข้าใจมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็พิจารณานดูแลแม่พิสูจเออเขก็งามนะนั่นึงนี่นพื่นทางที่ดีนั้นเพราะเราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกายกองก็เรื่องแทำครัวตอนดึกดื่นคอยต้อนรับกันแต่วุ่นวายกายกองถ้าจะมาจากที่างถ่นก็ตัวมาบอกกันเวลากันแล้วก็รับที่บ้านหลังนั้นปั๊บเลยขนของเข้าไปเลยลูกนี่ง่ายดีที่สุด วัดก็คือก่อนมันเงียบซมันจะได้สบายขึ้นก่อนรูกๆเข้าใจนะอันนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะเราบวชมาเราก็ไม่ไม่ต้องการความวุ่นวายอยู่แล้วบวชมาเราบวชมาเพื่อความสงบในการทางด้านจิตภาวนาเป็นของธรรมดาแต่ทั้งโล ก, กมันก็ต้องเข้ามาเคลือบเราก็ต้องอาศัยทั้งโลกอยู่อันนี้เป็นระเบียบขึ้นที่ ท, ที่ที่ได้พูดขึ้นวันนี้นะกำลังพูดนี่แหละ อันนี้ได้คุยกันหลายลวันนีแหละคุยกันหลายลวันนี่แหละนี่ก็ลังจะพูดวันนี้นะความลูกๆเข้าใจนะแต่ใครยังไม่ทราบก็พึงบอกกันแล้วว่าจะพูดพรุ่งนี้แหละแล้วว่าเอา้าไปคิดเรื่องนี้มาก่อนก็ให้คุยกันเรื่องนี้ก่อนความลูกเข้าใจนะลุงกูต้องการให้พวกเราภาวนาไม่ต้องการให้พวกเราไปวุ่นวายเรื่องการก่อการจ้างเพราะมันไม่ชอบเราไม่ได้บวชมาอย่างนั้นลุงกูก็ไม่ได้มาอย่างนั้น หลวงปู่ต้องการพวกเรามาฝึกปฏิบัติทำก็ไม่ได้ให้มาบุ่ญไหว้ไข่กองทางโลกอย่างนั้นวัดวารามที่เพื่นกาะเพื่นสร้างก็มีเยอะแยะถ้าเราอยากจะไปกาะไปสร้างร่วมพวเพื่อนก็สายทุกหลวงปู่ก็ไม่ห้ามไม่ได้ว่าอะไรคุณกติินป้าป่าวัดวาอรามหื่นเยอะแยะก็สายทุแล้วก็ไม่ได้ห้ามอะไรขอลูกศิษย์ไปแล้วก็คนของให้แต่๋ที่เราเราต้องการภาวนาอย่างเดียวเพื่อละเพื่อวางเพื่อตัดภบจากชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวตัวกายที่เปรกเทวีบุตเทวดา เมืกี้ต่อวินญันมาเราก็สอนให้ได้ความเมตตาเนี่ยเราเราไม่ได้สงสัยในข้อว่าปฏิบัติตัวเองแต่ไม่ได้สงสัยเรื่องมาผลวั น, นี้ผ่านนาแล้วเราออกมาเพื่อโลกผูส้สงสารเราไม่ได้ออกมาเพื่อเราเราไม่ได้ออกมาเพื่อเป็นครูเป็นบาคของคนนั้นคนนี้นแต่ออกมาด้วยกรรมของเราที่ได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตก็ต้องพื้นหนดพื้นชนสู้ยอยู่กับพวกเร า, างี้ลุงปูจึงส อ, อนให้พวกเราร่ากันนั่นให้เป็นตุกแปดแน่นหนา เรางบุกก็ไม่ใช่เสียใจนั่นใจนี้มาพอที่จะเป็นที่พึงพอใจสําหรับครูสําหรับบาหรือสําหรับอุ บ, บาสกปฏิการเราก็โสดเป็นโสตายของเราเพื่อมรักคนพุทธิปานพ่อเราคือพุทธเจ้าแม่เราคือพุทธเจ้าแค่นั้นห ล, หลักธรรหลักวินยัยนนั่นแหละคือครูบาอาจารย์คือพ่อเราเราเตื้อทูนเหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมสูงสุดจนประมาณไม่ได้นั่นเพราะเป็นทางที่เดินเข้าสู่เมืองพุทธิปานไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้ เป็นสิครบาอาจารย์ตรนั้นตรงนี้ก็ไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเรากยาพยายาบ้ากันอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วมุธเจ้าจัดชอบนเมื่อเราตถาคตละโลกนี้ไปแล้วเขาเข้าสู่พระนิพพานแล้วลหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วขอให้สมเพึงรับทราบนัน่นก็ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดนั่นเพิ่งก็ได้บอกว่าเธอจงเอาภาษาดีบุตรเอาพระโมก ค, คันลาหรือเอาเน้นเป็นครูเป็นบานล้ว เอาพระศรีบัลลีหรือเอาอืหลายองค์แต่องค์ององไหนที่อันนี้เป็นกูเป็นบาสนั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้เคารพกันโดยทำตามธรรมนั้นๆที่เป็นกูเป็นบาที่เราได้ อ, อืเอ่ยกราบขอ ข, อขามากันตามพรรษานั้นๆไม่ให้ประมาทกันให้เคารพกันในพรรษานั้นนั้นไม่ได้ให้เคารพกันที่ตำหนักตำราในการล่ําเรียนว่าเป็นยศฐานบรนดาลจากนั้นนะนี่ในสมัยพุทธกาล ให้เคารพกันตามภาษาไม้แต่บวชขณะ น, นี้เราต้องบวชว่าใครเป็นเป็นผู้บวชก่อนน่นใครเป็นผู้บวชก่อนขนาดบวช ด, ด้วยกันนี่แหละหน้าคู่นี่แหละใครเป็นผู้บวชก่อนคนนั้นก็ต้องเคารพกันกราบไหว้กันนั่นขณะดเจียววินาทีขนาดนั้นถ้าเป็นผู้บวชก่อนแล้วก็คือต้องเคารพกันตามธรมตามวิมนัยไม่ได้แค่เคารพเรื่องโดยยศถาบรรดาศักดิ์ว่าเป็นพระครูเป็นอะไรเพราะไม่มีในสมัยพุทธกาลแต่ว่าเมื่อตั้งขึ้น ตามสมมติโลกที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เคารลบเราไม่ได้เข้าไปว่านะไม่ได้เข้าไปเข้าใจในเรื่องนี้อันนี้เราพูดถึงธรรมวินยัอยองนั้นลุงกูต้องการให้ลุกสิดูกาลนี่พร้อมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกอตวนไว้ซึ่งหลักธรรมหลักวินยัยอย่าไปเทิดทุนอย่างอื่นนะจะเทิดทุนอย่างอื่นนะไปไม่ได้นะว่าคูบาอาจารย์พาทํามาแบบนี้บาคูบาอาจารย์ทํามาแบบนี้แล้วเราทําหลักวินยัยบาคูบาอาจารย์พาพวกเธอลงนรกเหรอมันก็ไปไม่ได้เนี่ยไปไม่รอดอี ถ้บอกเธอว่าครูบาอาจารย์ผมเคยทำมาอย่างนี้เนี่ยว่าอาจารย์ที่ฉันเคยทำมาอย่างนี้แล้วหลักธรรมหลักวินยัยหลือพวกเธอไวอ้ไหนมันไม่มีในตํำราตําราหรือไม่มีในภาคปฏิบัติมันไม่มีเราตถาคตคเข้าสู่พปณิพา น, านันแล้หลักธรรมหลักวินัยนั้นแหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตพึงเคารลบยำเก่งพึงเทิดทูน เนือก้าเหนือกระหมอมโสเป็นโสตายนั่นก็มันก็โสเป็นโสตายก็เรามโสเป็นโสตายในธรรมในวิในมันมีจนนั้นนะให้ให้ลูกๆเข้าใจนะถึงเราจะเป็นนุบาตุอุบาติกาเราก็ตั้งจิตตั้งใจเพือ่อบิบัติคุณงามความดีเพื่อมรรคผลปณิพานได้ตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวกันอย่างนั้ไม่ได้เลือกเพศเลือกไว้แต่ขอให้พอที่จะรู้เรื่องอัดเรื่องทําได้นั่ น, เ, นาาหเห็นภาษาดิบุตรเห็นว่าพร้สีวรี ภาษาพิษบุรีภาษาลีบุตรพิษบุรีนี่อยู่ในคันตั้งเกศเดือน อ, อตั้งเกศปีเกศเดือนเกศวันนี่แหละก็ อ, อยู่อยู่ในคันนั่นะเพออยู่ในคันแล้วก็เมือนอยู่พอกรมในตั้งแต่ในอดีตพอออกมาแล้วพูดได้เลยพอเพราะอาอยุมากอายุตั้งเกศปีออกมาก็พูดได้พอคลอออกมาแล้วภาษาลีบุตรก็ยังถามอยู่นั่น เ, เป็นยังไงพิษบรีอยู่ในคันอุ้ยทรมานมากทุกข์มากนั่นทุกข์เกิด นั่นแหะวิจะเห็นทำอย่างนั้นมัทุกเกิดไม่คิดที่จะเข้าไปสู่การมารดาอีกเพราะมันทุกข์มากทําอะไรก็ไม่ได้นอนโขดคู้อยู่อย่างนั้นกินอาหารก็กินไม่ได้ต้องอาศัยอาหารแม่ที่กินเข้าไปอืมจริงไหนที่ชอบมันก็ทําไม่ได้ต้องอยู่อย่างนั้นนั่นเห็นไหมหล่ะก็ทําเกิดเป็นนั่นก็แต่ว่ารู้จกักรู้จกักการรู้จกัจกทำพอจําความได้นี่เราว่าจําความได้คือจำธรรมได้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุตัวนั้นว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ พอข้อออกมาเข้าสู่ธรรมสู่วินัยเลยมันคือพระสีบรีนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นไอ้พวกเราเขาเรียกว่าแก่แด่แก่ลมมากเกินไปมันก็เลยไม่เข้าจุดนั้นนี่เราพูดถึงธรรมพูดถึงวินัยนะพูดถึงที่ข้อพระปฏิบัติที่พวกเราได้โสเป็นโสดใจมาร่วมกันจนถึงห้าปีกว่าห้าปีนะห้าพรรษานี่ก็เลยเลยพรรษามายังไม่สิ้นการกรถินผู้ที่ประพฤติปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันลุองอยู่ต้องการให้ให้รักกันก็เนื่องด้ยเห็นนั้น ให้ก็ลบธรรมก็ลบวินัยถ้ากรูบาอาจารย์ตรงนั้นอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยก็พึงมคอลบเทิดทูนเพิ่นยกย่องเทิดทูนสนรเสรินถืว่าเป็นโชติกากับเพิ่นนั่นพวกเราจะเดินทางที่ถูกที่ต้องไม่ต้องตกหลุมตกบ่ออีกการเดินทางที่เราจะเข้าสู่สุคติภูมิถือว่าเป็นทางที่สะอาดสะอา้านไม่ทุรักทุรีทางที่ง่ายเป็นทางที่ดีเดี๋ยวถ้าเรา เจอกูเจอปาที่ไม่มีทำไม่มีวิในัยคลองใจกว่าที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่ได้เราก็ต้องเสียความรู้สึกเสียเวลาเหมือนกับคนที่หลงป่าหลงทางอยู่หาทางที่จะออกมาจากป่าหรือหาทางที่จะไปหมู่บ้าน น, า น, นั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นหรือจังหวัดนั้นไม่ได้เพราะหลงทางนั้นก็ใช้เวลาเสียเวลานา น, านบางทีก็ไปไม่ถึงตายเที่ก่อนนั่นมันเป็นลักษณะ น, นั้นแต่ถ้าอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยแล้วเราไม่ได้สงสัยเรื่องนั้น ถึงคราาูาอาจารย์อค์อื่นยกไว้ในหัวสูงสุดถ้าพูดในธรรมในวินัยก็เคารพเพิ่นเพื่อนทูนเพิ่นแต่ทําให้อยู่ในธรรมในวินยัยเราก็ไม่เลื่นด้วยพารบวทมาเราถือศัจจะดาเดียวคือพุทธเจ้าถือธรรมถือวินัยเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะศัศสาดาเราเราไม่ถือธรรมวินัยอื่นเราไม่ได้เอาเทพบุทาาเทวดาเอาอินผรมยมยักษ์เป็นอาจารย์เราถ้าพวกเธอเป็นสัมมาทิฏฐิก็พึงมาเราจะสอนให้ด้วยความเมตตาก็แค่นั้นนั่น นั่นถึงถูกต้องพ่อพระพุทธเจ้าคู่เราพ่อเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเราเป็นศิทธาคตเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพ่อเราเป็นแบบไหนนั่นเราก็ต้องเอาแบบอย่างที่ดีของพ่อมาใช้ที่เพื่อให้พ่อได้สบายใจว่าเรานี่แหละหนึ่งที่เป็นลูกของพ่อนั่นไม่ใช่ลูกนอกพ่อเอง ไม่มีสองไม่มีสามสำหรับลูกนอกข้อเกียรตเพราะเป็นลูกหนึ่งในข้อวัดปฏิบัติในศีลและธรรมบันดีที่พ่อได้หยิบยืนให้นั่นมันถูกต้องที่สุดงั้นการก่อสร้างเราก็มีแต่ว่ามีน้อยมากที่สุดมันก็จําเป็นเพราะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่สมบูรณ์แต่แเราจะปล่อยเลยตามเลยมันก็ไม่ได้พอเราเป็นมนุษย์นั่นมันก็ว่าขุดรู้อยู่มันก็ไม่ได้อีก ก็ต้องทำบ้านแม้แต่นกตัวเล็กๆมันก็ทําบ้านมันอยู่หนูมันก็ยังขุดรูอยู่แล้วก็ต้องมีที่พักที่อาใช้เพื่อหลบแดดหลบฝนก็แค่นั้นเองเราไม่ได้ให้ทําอะไรมา ก, ก็แค่นี้แล้วก็พออยู่พอไปพอถูพอไถพอมีที่ไปพื้นปฏิบัติธรรมนั้นก็พอแต่ส่วนผู้ที่ต้องการสร้างให้มากไปกว่านี้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรมันก็มีวัดวาลาหมื่นหลหมู่ก็พาพวกเราไปอยู่ แต่ที่หลงปู่ไม่อยากให้สร้างอะไรมากมายอยากรักษาไว้จึงธรรมชาติแต่ป่า น, นั้นมันก็ยังมากมายแล้วนะ่ะอยากรักษาธรรมชาติไว้วุ๊บหลวงกูเป็นพระ ป, ป่าอยู่ป่ามาตลอดตลอดตลอดตั้งแต่บวชบรรพชาได้หรือตั้งแต่เป็นพระขาวนุ่นอยู่บ้านเราก็อยู่ป่าเราไม่ค่อยเข้าเมืองเท่าไหร่นะไปปฏิบัติธรรมล้วก็เข้าป่าได้เจ็บจากพา่านลนั้นที่เราเข้าป่าตลอดตลอดฝึกฝนอบรมบนิสัยตัวเองมาหรืออย่าว่าแต่ในปฏิบันธรรมชาติหลายปุ๊บหลายชาติเราก็มา เออก็ทํามาแล้วเท่านั้น น, นี้ก็จึงเอาสิ่งที่มันถูกต้องมาสอนพวกเราต้องการให้ลูกๆนั้นประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดไม่ต้องการให้พวกเรานั้นลวงโลกนั่นหลักธรรมในวินัยนั่นนั่นเป็นหลักธรรมหลักธรรมในวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาเราเป็นครูเป็นบาปของเราก็ทําตามนั้นนั่ น, น, นจึงจะไม่ลวงโลกอย่างนัมันก็ลวงโลกทิ่จะทําอะไรขึ้นก็ลวงโลกลวงโลกลวงโลกทําอะไรมันก็ไม่ได้สมปรารถนา เงื่อพิจารณาตรงนั้นเราก็ลงใจได้ตรงนั้นในเรื่องธรรมในเรื่องวินยัยถูกต้องอยู่เราต้องการอยู่ดีกินดีแต่ว่าด้วยบุคกรรมของเราตั้งแต่ในอดีตที่สร้างมาที่มันหนักเลยเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกหลีหนีไปได้เลยเพราะรับแล้วซึ่งวิบากกรรมนั้นไงแต่พระองคหันในสมัยพุทธกาลพระชกุบาลก็ยังตาบอดเพราะในอดีตก็เคยปรุงยาใส่หยอดตาของแม่ไม้คนหนึ่ง ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่เพราะนางตาบอดมาตั้งแต่ก่อนแต่ ว, ว่าต้องการที่จะตาดีก็เลยมอบกายถวายชีวิตกับหมอยานี้ว่าถ้าหายแล้วจะยอมเป็นทาสพร้อมทั้งลูกเจ้าสมบัติมีเท่าไหร่ก็จะยกให้ขอให้ตาหายแต่เวลาตาหายแล้วก็เธอก็เป็นอย่างอื่นหาวิธีการบอกว่าไม่หายเพราะไม่อยากจะเป็นคนรับใช้ของหมอนี้เนพปัจจุบันในสมัยนั้นก็เลยรู้ที่พอหมอจะทราบว่าหายหรือไม่หาย ก็เลยว่าเจ้านี้ไม่มีสัตว์มีศีลไม่สมควรที่จะตาดีต่อไปเราคนไม่ดียอย่างนี้ก็เรื่องของเขาแต่เราก็เข้าไปอย่างนั้น่ะพระเจ้ากุบาลก็เลยปรุงยาให้หยอดใหม่ตอนนี้ตาบอดชนิดเลยไม่สามารถที่จะรักษาได้นั่นบุพกรรมนั้น่ะเขาก็มีทั้งลูกทั้งเต้าต้องเลี้ยงดูบุพกรรมนั้นจึงทําให้พระเจ้ากุบาลตาบอดมาจึงห้าร้ยชาติจนถึงชาติที่สิ้นอาชวะแล้วก็ยังบอดอีกเพราะมันครบห้ารอยชาตินั้นนี่พอ เพราะเป็นกรรมหนักกรรมหนักแบบไห น, นถึงจะไม่ใช่เขาลูกกรรมตอนนั้นแต่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทั้งหลายคนเวลาแม่ตาบอดแล้ลูกจะอย่ยังไงถึงจะจินอาส า, า, าและก็ตามแต่ก็ต้องตาบอดนั่นนี่วิบากกรรมที่ได้รับมาเป็นแบบนั้นแม้แต่บรมร า, า, า, า, า, ามจัดเจ้าได้กองพวกเราก็เจ็บเช่นเดียวกันวิบากกรรมก็มีมีมาสมัยที่สร้างบารมีอยู่เวียนไหวตายเกิดอยู่ดูพระนางกินจะมาวิกาหาเรื่อง จนจนจนไอ้เท้าส ก, กะโทนไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการที่จะให้ไอ้มัดพวกผ้าอยู่ในท้องดูออกมานั่นและนั่นแล้วก็จนรวยไปถึงพนางไอ้ที่เป็นลูกพราหมณ์นั่นหาเรื่องใส่ก็จ้างพวกลาที่อื่นมาด่าพุทธเจ้าและสงสา ว, ว ก, ก็เป็นเรื่องบุพกรรมของเพื่นตั้งแต่ในอดีต ท, ทั้งนั้นที่เพื่นเป็นมาอย่างนั้นเล่าหมดึงในอดีตชาติของเพื่น นี่แล้วพวกเราที่รับอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นกรรมของพวกเรามันก็ไม่ได้สมปรารถนาทุกคนปรารถนาในสิ่งที่ดีๆไม่ได้ปรารถนาในสิ่งที่เลวๆต้องการอยู่ดีกินดีต้องการร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่มันก็ไม่สามารถเหนือกรรมตัวนั้นได้ที่ได้สร้างมาแต่ในอดีตเลยไม่มีเวทมนตรกรรมฐานหรือใครเข้าไปสามารถช่วยพวกเราได้และเหนือกรรมได้เพราะสายโลกต้องอยู่ตามกรรมนี่ขอให้พวกเราเพึ่งเข้าใจที่ ที่เรามาพปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้พวกเรารู้จักธรรมมรู้จักว่าสิ่งไหนควรไม่ควรรู้จักธรรมรู้จักละรู้จักวางไม่ให้เธอยอยทะยานอยากทางโลกมากเพราะมันเป็นทุกข์เพราะเธอยยทะยานอยากแล้วมันไม่ได้ในสิ่งที่ตดยเองปราฏถนามันก็เป็นทุกข์เสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าได้ตามปาฏณาณ์ก็พาก็มีความสุขเมื่อไม่ได้ปาฏนาอีกก็มีความทุกข์อีกสูญเสียอีกมันก็อยู่อย่างนี้ มันไม่ไปไหนมันไปไม่รอดแต่ถ้าเราวางใจได้ทำใจได้ปกติรู้จักละรู้จักวางนั่นแหละคือรู้จักตัวเองอะไรเกิดขึ้นเขารู้จักตัวเองความโกรธความโลภความหลงทิธิมาน่าเกิดขึ้นก็ขอให้รู้จักตัวเองว่าเดี๋ยวนี้มันโกรธเดี๋ยวนี้มันรักเดี๋ยวนี้มันสุขเดี๋ยวนี้มันทุกข์เป็นธรรมชาติของขันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แบบนั้นเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องการอยู่ของพวกเราความสุขเป็นของธรมงธมงธรมดาของสารโลกความทุกข์ก็เป็นของธรรมดาของสารโลกเรียนรู้ในปัจจุบันพยายามละพยายามวางอย่าให้มันหนักอึ้งในจิตในใจอย่างนั้นไปไม่รอดนะนี่ว่าเตว่าเตวานาหรือจิตตวิญญาณที่อยู่ขององค์ลุงปู่เป็นหลายล้านล้านก็ตามพวกเธอก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นถ้าพวกเธอไม่ปฏิบัติแบบนั้นพวกก็หนักอึ้งอยู่ในพวพภูมิที่เป็นพวกกายที่เป็นพวกกติธรมนากายอย่างนั้น หาความสุขไม่ได้เห็นพระุทธเจ้าสอนในพวกเราหาความสุขในสิ่งที่เที่ยงคือเมืองพุทิพานไม่ได้สอนในพวกเรามาวุ่นวายกายคองอยู่ทางโลกโลกูลกหลงหลงในการปฏิบัติธรรมทุกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกพ่อลูกทุกข้อเมียทุกไม่มีที่สิ้นสุดทุกพระเจ้าถินเงินทองทุกอย่อยางนี้ปฏิบัติธรรมไปร้อยชาติล้านชาติล้านอสงไขยหรือประมาณไม่ได้ก็เท่าเก่า ก็ไม่สามารถทำลายอุปทานตัวยึดมั่นถือมันได้ไปไม่รอดนะขอให้ลูกเข้าใจนะถูกต้องอยู่สัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมแต่การสร้างกรรมดีในปัจจุบันเพื่อให้ส่งผลตัวนั้นในการเวียนว่า้ตายเกิดเราก็เคยเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันหมดนั่นแหละไม่มีใครเลยในในลกทั้งสามที่ไม่เคยเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่และเป็นเจ้ากรรมนายเวรกัน แต่ได้ชาติหนึ่งก็ต้องเป็นแม่กันเอ้ามาชาตินี้ก็ได้เป็นน้องสาวกันเป็นพี่สาวเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นเมียเอ้าเป็นแม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหมุนกันอยู่อย่างนั้นบางชาติกับผู้หญิงนั้นก็กลับเป็นชายด้วยแรงอธิษฐานอืพอได้เป็นชายแล้วก็หลงในเพศของชายก็ไปทําผิดศีลข้อกาเมชยผิดลูกผิดเมียกลับเป็นหญิงอีกก็อยู่อย่างนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด ก็คนคนเดียวนั่นแหละเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นทั้งบ้าเป็นทั้งจัตเจตชั้นเป็นทั้งสัตว์นรกเป็นทั้งเปรตเป็นทั้งผีก็คนเดียวกันนั่นแหลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่แบบมันเข้มทิ่มลงไปในแผ่นดินหรือทิ่มเข้าสู่กลางอากาศทิ่มไปที่จุดไหนของอากาศก็ยังถูกที่เกิดที่ตายของตัวเองอยู่นี้มันเป็นอย่างนั้นนี่หลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าที่แม่นยาที่สุดถ้าเราไม่เชื่อสัตยดาไม่เชื่อพุทธศาสนาไม่เชื่อพระธเจ้าแลราจะเชื่อใครเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เราเชื่อ เชื่อพ่อเราเชื่อสัตดาเราคือพระเจ้านั่นแล้วต้องไปตามนั้นไปเิ้ยทีตามนั้นมันถูกต้องแม่นยําที่สุดก่อ้ลูกเข้าใจนะไม่งั้นลูกก็ไปไม่รอดไปไม่ได้อยู่อย่างนี้เข้าวัดเข้าวาก็ได้เท่าเก่ามันเข้าได้แต่ตัวแต่ใจนไม่ยอมด้วยใจไม่ยอมวิเปริเป็นผียู่ไม่มีที่สิ้นสุดละไม่ได้ความกลัวก็ละไม่ได้ความโลภความละไม่ได้ความโลภโมโทสันนี่แหละละไม่ได้มันละยาก ควมวุ่นวายกายกองภไยในใจก็ละไม่ได้อีกไม่รู้เป็นอะไรมันร้อนอยู่อย่างนั้นมันละยากทําไมจึงละยากเพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกมันต้องไม่บีบบังคับตัวเองไม่ยอมละพวกนี้มีได้เสริมมันก็มากขึ้นนี่ไม่มีที่ทิ้งจุดนะนั่นพุทธจักรณาสอนให้พวกเราละให้เราวางให้เอาออกไม่ได้ให้เอาเข้าถ้าเราเอาเข้าแสดงว่าเรายังผิดทางอยู่นานอักโข ถึงจะบวชเรียนเขียนอ่านอยู่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามพวกเธอก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ทุกวีทุกวันพวกเธอยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ละความโลภความโกรธความโลภความหลงทิฏฐิมานะไม่ได้ละโลภโกรธหลงไม่ได้ละทิฏฐิมานะไม่ได้พวกเธอยังเป็นมิจฉาทิฏฐิทำสมาธิภาวนาห่อเหินเดินฟ้าได้ก็ตามพวกเธอก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะยังละยังวางไม่ได้ ลือสีชสีพไปได้ชานจะมาบัดอภิญญาห่อเหินเดินฟ้าหรืออะไรก็ตามยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมแหละเชิดดินหรือพวกลือสีจีไปที่พระเจ้าทรงโปรดเอาก็มีแต่เก่งๆทย่างนั้นแหละห่อเหินเดินฟ้ามาทั้งนั้นแหละผลสุดท้ายก็ละก็ว่างพวกนั้นทั้งหมดก็เข้าสู่ธรรมวินัยที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ครูสานก็สอนพวกเราแบบนั้นในตจโลกธาตุ พุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นแบบไหนเป็นผู้ที่เชื่อหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไม่เชื่อศาสดาอื่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมปราถนาพระนิพพานนี่สัมมาทิฏฐิเชื่อหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เชื่อศาสดาอื่นมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบกายถวายชีวิตกับอย่างอื่นโสเป็นโสดตายกับพุทธศาสนา โสดเป็นโสดายก็หลับํำหลักไปไหนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทุกข์ากลำบากขนาดในก้อนตามเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดูปิญิกัจเษธีเป็นมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งมีคนใช้มีบ้านหลังใหญ่อยู่มีเงินอีกตั้งแปดร้อยล้านแปดพันล้านอยู่จูก็ถูกเพื่อนโกงก็มีเสียหายไปก็มี ด้วยน้ำจัดป่าใบเป็นผู้สร้างเทวมหามหาวิหารผลสุดท้ายก็ต้องขอาทานกินก็ไม่เห็นว่าบินธิศเกษตีเสียโอเียใจเพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าเรายังปฏิบัติธรรมยังไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแสดงว่าเรายังเป็นมิจฉาทิฐิไปไม่ไปไม่รอดีิลูกๆก็ต้องลงนรกเท่าเก่ามันหอเหินเดินฟ้าได้ก็ต้องตกนรกตลอดพมโลกหรืออรุปรผมออกจากอรุปรผมก็ตกนรกเท่าเก่ามันถ้ากรรมตัวนั้นมีอยู่ เว้นไว้แต่อริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันขึ้นไปนั่นคือสัมมาทิตฐิ ท, ที่เต็มภูมิปิดอบายภูมิสีตลอดถึงจะเวียน่ายตายเกิดอยู่เจ็ดชาติที่มีชาติที่แปดอีกก็ตามหรือไม่มีชาติที่สามกหรือชาติเดียวก็ตามนั่นเนยที่เรียกว่าเอกปีสีนั่นโสดาบันสามประเภทนั้นปิดทุกขติภูมิสุขติภูมิเป็นที่ไปตลอดตลอด ถึงจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็เป็นสุคติภูมิหาความทุกข์ไม่ค่อยมีเหมือนกับมิจฉาทิฐิไม่เป็นสัามาทิฐิได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่บรรลุโสดาบันไม่มีทางลูกเต้าไม่สามารถเป็นสัมมาทิฐิได้แต่ทางเดินนั้นก็มีผู้ทธิอพรัตนาตายเป็นที่พึ่งโสเป็นโสาตายกับพุทธธรรมสงนั่นแหละเป็นทางที่เข้าสู่อริบุคคลจันต้นโสดาบันพวกนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฐิแล้วแต่ยังไม่เต็มภูมิ จนกว่าจะบรรลุอริยบุคคลจนต้นโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อตอนที่ตายหรือเมื่อไหร่ช่วงไหนก็ตามนั่นผู้นั้นแหลเป็นผู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างเต็มภูมินั่นก็รู้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมก็เอาจริงนั้นอย่าปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้มหวัดว่ า, าอารามอื่นมีให้ปฏิบัติอย่างอื่นเยอะปฏิบัตเาาิเอาฌานเอาญานเอาส ม, มาธิแต่ที่นี่สอนสูงสูงสุดถึงเมืองปณิพาน ไม่ได้สอนมาให้เป็นสมาธิขี้เหม็นอยู่อย่างนั้นมันก็เวียนว่ายตายเกิดมีที่ทิ่สุดปกติสมาธิก็เหมือนกับติดขี้ติดเยี่ยวสมาธิพวกนั้นฌานญาณพวกนั้นไม่สามารถที่จะเป็นของเที่ยงได้ไม่เหมือนเมืองบนิปาลเราติดสมาธิติดฌานติดญาณก็เหมือนติดขี้ติดเยียวติดทรัพสมบัติติดลูกติดผัวติดเมียมันอยู่ในโลกียาอยู่นั่น พุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อทำลายวิชาพวกนี้ทำลายวิชาไหนก็อนทำลายสมาธิตัวนี้แต่ก็ให้มีสมาธิก่อนให้มีทับสมบัติตัวนี้ก่อนให้มีฌานสมาบัติก่อนให้มีรูปจีรูปรูปรูปฌานสี่รูปฌานสี่ก่อนและถึงกับมีรู้สมาบัติให้มีเพื่อทำเป็นเครื่องอยู่เพื่อความสุขในปัจจุบันแต่ก็สอนสูงสุดให้ทิ้งพวกนี้เพื่อเข้าสู่เมืองพุทพิาน อย่างนั้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อทำลายพวกลือสีจีไปทําลายวิชานี้แหละสอนให้พวกลือสีจีไปรู้จักเมืองปณิพพานเขาอยู่กับฌานกับยานมานานแล้วเขาก็ปั๊บทันทีพิกสัญญาเมื่อพิกสัญญาก็ทิ้งโดยไม่เสียดายพวกฌานพวกยานเข้าสู่เมืองปณิพานนั่นเป็นอย่างนั้นนี่หลวงปู่สอนหลวงปู่สอนหนีนะ ก็สอนตามธรรมตามไปไหนพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อโลกพุทธสงสารก็สอนสอนแบบนี้แล้วพวกก็เอาพ่อเป็นหนึ่งเป็นที่ยึดที่ถือเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นที่เทดิดทนเป็นที่สวเป็นโศตายก็อยู่ที่นั่นนี่ไม่ใช่ว่าสอนในพวกเราป้าบอพ่อแจกในเรื่องของพวกนั้นขึ้นอยู่ที่กรรมของแต่โลกมันก็ถูกต้องอยู่ตัวนั้นนะแต่มันก็พอทําได้พอถูอพอไถอ่เพื่อยังไม่ตาย ถ้าตายแล้วทำยากนะขอให้ลูกๆเข้าใจนะการก่อการสร้างก็คือก่อสร้างตัวเองให้เป็นสัมมาทิฏฐิเดินจงกรมนั่งภาวนาปรัตถนาจึงพระนิพพานตลอดตลอดอย่าพากันว่าบอกขอแตกนอกทำนอกวินัยมันจะทำให้ตัวเองตกละกรมลำบากะขอมุทนาโดยแค่นี้นะจาทู